ผลสมร็จสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาคืนแห่งความสมร็จ น, น้ำซับน้ำซึมด้วยสติปัญญา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 สติปัญญาขั้นนี้จะฆ่ากิเลสตลอดเวลาโดยอัตโนมัติหมุนติวติกิเลสขั้นยาบหมุนหนะักเรียกว่าปัญญาขั้นผ่าน ผ, า น, ผานโจรทยานเหมือนว่าฟ้าดินถลม่มปัญญาขั้นอยาบกับกิเลสขั้นห ย, ยาบๆยาฟัดกันพอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปเบาไปกิเลสเบาลงเบาลง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 ก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปโดยอัตโนมัติ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 ก็สาภาเผยอยู่ในวงสมมติจะสว่างกระจางแจ้งขนาดไหนก็สว่างแจ้งอยู่ในวงสมมติเพราะอาวิชายังมีอยู่ในนั้นอวิชานั้นและขี่ตัวสมมติจุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการรุ่มรุ่มดอนดอนตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้บางที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 มันส่งไปที่อวิชชาหลอกไปโน้นจนได้อวิชชานี้แหลมคมมากไม่มีอะไรแหลมคมมากยิ่งกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายว่าความโลภมันก็หยับยากพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายแต่โลกยังพอใจกับโลกคิดดูสิความโกรธก็หยับยากโลกยังพอใจโกรธความหลง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 ปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจอกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัทยันั้นแหละเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบรรลังคือใจ กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันทับอวิชชาขาดสะบั้นหันแหลกแต่กระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกร โลกกธาดวันไหวโลกกธาดภายในแสดงมหาสั์บั้นสุดท้ายปลายแดงระหว่างสมมุติกับวิมุดตัดสินความบนสารสถิตยุติธรรมโดยวิมุดติยาณทัศน์เป็นผู้ตัดสินคู่ความโดยฝ่ายมัชชิมาปฏิปทามัคคะริยสัจเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุทไทยอริยสัจ เป็นฝ่ายแพ้นอกแบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตการสิ้นสุดลงแล้วเจ้าตั ว, ว, ตวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาว่าโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนทำนี้อยู่ที่ไหน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 มีองค์แปดทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงเกชามีตันนันเรนังเกตชามีท่านกล่าวแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ใจได้ว่า หากยังมีผู้ภาคเพียรดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยข้อวัดปฏิบัติอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมักมีองค์แปดอย่างจริงจังให้สมบูรณ์เต็มภูมิแล้วย่อมประจับผลเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกขจากการเวียนว่ายตายเกิด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 จะรู้เองเห็นเองเพราะอำนาจแห่งมัชชิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายสิ่งที่รกกรุงรังพัวพันอยู่ภายในใจจะแตกกระจายออกไปหมดเหลือแต่ธรรมล้วนจิตล้วนที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจ